รู้ทุกแจ่มแจ้งนะกายนี้คือตัวทุกถ้ารู้ทุกแจ่มแจ้งเมื่อไร่นะเวลามันแก่คือตัวทุกมันแก่ก็ช่างมันสิตัวทุกมันแก่ไม่ใช่เราแก่ตัวทุกมันเจ็บผสมน้ําหน้ามันนะตัวทุกมันตายสมน้ําหน้ามันใจมันจะเปลี่ยนไปเพราะฉนอย่างเวลาพระอรหันตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเวลาท่านจะนิพพานนะท่านราชเริงไม่เหมือนคนทั่วไป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 งั้นเวลาจะถึงเวลาตายเนี่ยท่านรา่าเริงใจจะผ่องใสมากกว่าเวลาปกติซะอีกคล้ายๆภาระนี่ภาระที่หนักหนาสาหัสกำลังจะสิ้นไปแล้วพวกเรารู้สึกไหมร่างกายมีเป็นภาระมากเรารับภาระอันนี้มาตั้งแต่เกิดนะเราไม่รู้หรอกเราชินกับการเป็นทาตเาเป็นทาตในร่างกายนี้ทุกวันน้มั่ตื่นมาก็าต้องไปอาบน้ำ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 งั้นอย่างเวลาไม่สบายบางคนกระดุกระดิกไม่ได้ทุกข์มากในที่สวดตัวก็เน่านอนเฉยๆก็เน่าจะอยู่ไม่ได้ทุกข์เนี่ยคอยรู้สึกนะเราจะได้ไม่หลงไม่งั้นเราก็จะหลงเพลินในร่างกายมากไปหลงว่ามันดีมันสวยมันงามมันหนุ่มมันสาวมันจะไม่รู้จักแก่จากเจ็บจากตายมันลืมพอเราไม่คิดว่าตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะมันก็ตะกละตะกรามยิวมาก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 คันหน้าป่าเราโวยกโกรธด่าใหญ่เลยใครได้ยินตัวเองก็ได้ยินนะคนที่นั่งข้างๆก็ได้ยินไอ้คนน้นไม่ได้ยินหรอกนี่เราสนใจคนอื่นเราไม่สนใจจิตใจของตัวเองเพะนั้นจิตใจเรากําลังกโกรธเราไม่สนใจเราสนใจคนที่ทําให้เรากโกรธเวลาเรามีความรักหรือเราอยากได้อะไรสักอย่างเดินศูนย์การค้าเห็นมือถือออกมาใหม่ๆอยากได้ เราไม่สนใจว่าใจกำลังอยากเราสนใจแต่ว่าไอ้มือถือตัวนี้ออกใหม่นะราคาเท่าไรทำอะไรได้บ้างเนียนะถ้าซื้อไปเราจะเท่ะเราสนใจอย่างนี้สนใจมือถือมีสินค้าอะไรเราก็อยากได้เราก็สนใจแต่สินค้านั้นเราไม่สนใจว่าใจกาลังอยากได้ถ้าเราหันมาย้อนมาใส่ใจจิตใจของเราเราก็สามารถเห็นได้ว่าตอนนี้กาลังโลภอยู่นะหรือตอนนี้กาลังโกรธอยู่เนี่ยถ้าสนใจเราก็รู้ได้ นี่เวลาเราโกรธเราไม่สนใจเราหมดแต่เปนสนใจสิ่งที่ทำให้เราโกรธนะบางคนโกรธหมานะคนนั้นก็คือหลวงพ่อเคยโกรธหมาตอนเป็นโยมเน่บ้านมันอยู่กรุงเทพนะบ้านมันอยู่ใกล้ๆกันนะกลางคืนนะมีหมาข้างบ้านนะกลางวันนั้นมันจะนอนเงียบเลยนะกลางคืนมันจะลุกขึ้นมาเห่านะแม้เรานี่แค้นมากเลยเพราะกลางวันเราทำงานกลางคืนเราจะนอนเกลียดมันมากเลย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 นะไม่ต้องมารยาถึงขนาดฟังแล้วต้องอุเบกขาตลอดนะหรือเราเห็นคนคนหนึ่งเดินมาเนียศัตรูเราเห็นแล้วเกลียดไม่ต้องแกล้งทำเป็นคนดีโอเธอเป็นยังไงนะพูดกับเขาอย่างดีเลยถ้านที่ใจเนียเกลียดอยากแช่งให้มันตกกรตายตายไปเลยนะให้รู้ทันใจของตัวเองไม่ต้องมารยาทำเป็นคนดีอันนี้หมายถึงทางจิตใจนะแต่ทางกายทางวาจาต้องมีมารยาทนะไม่ใช่นักปฏิบัติมารยาทสา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 มันจะรดออกไปทางกายทางวาจาจะไปว่าเขาจะไปตีเขาอันนี้ผิดศีลไม่ทำเนะนี่ยศีลเนี่ยใช้ตรงนี้เองใช้มาควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาไม่ให้ทาผิดเพราะว่ากิเลสมันสั่งส่วนสร้างใจนะโกรธได้ลก็ได้หลงก็ได้ฟุกสร้างก็ได้หกรูดก็ได้ง่ายไหมกฎข้อสอนกรรมฐานทุกคนต้องสงบอันเดียดยากยากนะที่จะสงบ แต่บอกว่าฟุงา้งซ่านก็ได้ฝังเราสบายใจไมไม่ใช่หลวงค่อ เ, เองเราพูดเ จ, จ้าสอนอยู่นะในขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยท่านสอนเลยดุคราบพิสูจนทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุงา้งซ่านไม่ใช่ว่าพิสูจทั้งหลายห้ามฟุง้งซ่านให้ได้สอนอย่างนั้นนะจิตฟุ้งซ่านให้รูว่าฟุงา้งซ่านจิตสงบก็รู้ว่าสงบจิตซึ่มสุ่มเลยก็รู้ว่าสึมจิตมีความโล่ เพรารู้ว่ามความลอกจิตไม่ลอกเพรารวาไม่ลอกจิตโกรธรู้ว่าโกรธจิตไม่โกรธเพรารว่าไม่โกรธรู้อย่างที่เป็นการที่รู้อย่างที่เป็นไม่ใช่เรื่องยากแต่การจะให้มันเป็นอย่างอื่นนอกจากสิ่งที่มาเกำลเป็นอยู่นะเป็นเรื่องยากเช่นใจสงบใจฟุ้งซ่านอยากให้สงบเนี่ยยากใจกําลังโกรธอยู่จะสั่งบองอยากโกรธเนี่ยยากแต่ถ้าโกรธแรู้ว่าโกรธที่ยาอะไรให้รับรู้นะครับรู้ความรู้สึกของเก กราจะเห็นว่าความรู้สึกเราเปลียนแปลงตลอดเวลาเห็นเมื่อตามองเห็นเป็นเมื่อหูได้ยินเสียงเห็นเมื่อจมูกได้กลิ่นเห็นเมื่อลิ้นจะทบรถเห็นเมื่อมีสิ่งมาสัมผัสทางกายเชน่นเรากำลังนั่งกินข้าวอยู่ตามร้านขายข้าวแกงอะไรนะนั่งอยู่มีอะไรนุ่มๆมาสีขาเราเนื่องเราเป็นคนชอบหมาสัมผัสได้เนื้อวัวหมาก็ยิ้มขวานในพุ่มดอกเดชทัพไทยจะให้อาหารด้วยนะ หมาตัวี้เล่นทตัวเลยแน่ใจเราเกยบที่แรกมีสิ่งมากระทบอย่างเนี้ยเห็นหมาที่เราเคยชอบเรายินดีเราพอใจพอตาเราบอกเก็บนี่เปนมาขี่เล่นโกดหลบนำเหลืองเยอะเลยแล้วมาสีเราเนะี่ยโทสะมันขึ้นเกลียดมันไม่อยากให้มันอยู่ตรงนี้อยากให้ไปอยู่ที่อื่นเกลียดหมาไม่พอเกียดเจ้าของร้านด้วยนะมาปล่อยหมามาเพ่นพ่านเนะี่ยโทสะมันขึ้น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 ทุกนานมากเลยเมื่อไหร่มันจะจบสิ้นสักทีนะพบชาติของการส่งแชร์เนะี่ยเมื่อไหร่จะหมดเนะี่ยความสุขนั้นสั้นๆความสุขอยู่ไม่นานนะงั้นใจที่หิวความสุขนั้นมันจะต้องดิ้นตลอดเวลาเลยเพราะความสุขมันสั้นเนะเราถ้ามาหัดภาวนานะมาหัดสังเกตใจของเราใจมีความสุขก็รู้ใจมีความทุกข์ก็รู้เติมลงไปอีกใจมีความดีก็รู้ใจลรคกรดหลงก็รู้รู้ไปเพื่ออะไร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 เโยมก็หิวหลายครั้งแต่วันหนึ่งอย่างหนึ่งนะอย่างมากก็หิว 3- าสี่ครั้งแต่ใจนี่สิหิวตลอดเวลาใจที่มีความอยากนะอยากได้รูปอยากกินอารมณ์ทางตาอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รส อ, อยากได้สัมผัส ท, ทางกายอยากคิดนึกอะไรที่สนุกสนานนะใจนี่มีความหิวตลอดเวลานะเพราะมันไม่อิ่มมันไม่เต็มในอารมณ์ที่เป็นสุข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 เรายึดถืออะไรเรารักอะไรเราก็ทุกข์เพ น, น, นั่นแหละนี่เราค่อยๆมาเรียนรู้ทันจิตใจของเรามีความอยากเมื่อไหร่มีความยึดเมื่อไหร่มีความรักครายพอใจในสิ่งใดความทุกข์ก็ตามมาแล้วละเพราะสิ่งนั้นไม่มีก็อยากให้มียังไม่มีก็ดิ้นรนจะให้มีระหว่างดิ้นรนก็ทุกข์ละตอนอยากให้มีก็ทุกข์ละตอนดิ้นรนจะให้มีก็ทุกข์ละตอนมันได้ด ม, มากลัวมันหายไปก็ทุกข์อีกละมีแล้วก็ความวนใจนะ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 นะใจจะไม่ดิ้นรนใจที่หมดความดิ้นรนหมดความอดอยากหิวโหวยนะใจจะสัมผัสพระนิพพานมันจะสงบสุขมันมีสันติสุขเพราะตัณหาคือความอยากนั่นแหละทำให้ใจมันดิน้นเราะฉะนั้นนิพพานนะบางทีท่านก็ใช้คําว่าวิรากะสภาวะที่สิ้นตัณหานะนิพพานเป็นอะไรนิพพานมีลักษณะคือสันตินะนิพพานเป็นความที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยาก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 เปความสงบสุขที่เอาเงินซื้อไม่ได้นะบางคนให้ความสําคัญกับเงินมากเลยเงินมันก็มีประโยชน์นะเอาไว้ทําดีก็ได้ไว้ทําชั่วก็ได้เหมือนกันนะําความทุกข์มาให้เราก็ได้นําความสุขมาให้ในทางโลกโลกก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรอกนะเพราะว่าทุกอย่างมันชั่วคราวแต่ใจที่เข้าถึงปัญญาเห็นความจริงของกายของใจนี้อย่างถ่องแท้นะใจจะเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริง มีความสุขมหาศาลนะหลับอยู่ก็เป็นสุขตื่นอยู่ก็เป็นสุขทําอะไรๆก็มีความสุขแล้วใจดวงนี้เป็นใจที่ไม่ต้องคอยระวังรักษาอีกต่อไปมันแปลกตรงเนี้อย่างใจของพวกเราไม่คอยระวังรักษานะจะชั่วทันทีเลยนะเพราะมันยังมีความชั่วมีเชื้อของความชั่วซ่อนอยู่มีจิตใต้สํานึกที่ชั่วร้ายยังมีอยู่เยอะไปหัดภาวนาหารู้ทันจิตใจตัวเองบ่อยๆแล้วจะรู้ว่าที่หลวงพ่อพูดนี่เรื่องจริง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 วันหนึ่งใจลอยร้อยครั้งรู้สึกตัวได้ร้อยครั้ง จ, จริงๆมันไม่เปรี้งๆอย่างนี้นะมันมีสมการเหมือนกันนะใจลอยเนี่ยเท่ากับความรู้สึกตัวบวกหนึ่งมีสมการนะแต่หลวพ่อมันบวกหนึ่งท่านเลยปัดว่าเท่าๆกันใกล้เคียงกันตื่นขึ้นมาก็ใจลอยแล้วแล้าทั้งวันใจลอยไปเรื่อยๆเราไปรู้สึกตัวครั้งหนึ่งแล้วก็ใจลอยต่อไปจนหลับใช่ไหมใจลอยสองครั้งรู้สึกตัวหนึ่งครั้งมีสมการของมันนะ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 จะค่อยๆมีความสุขมีชีวิตที่สงบสุขใครเข้าใกล้เราเขาก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยเพราะรู้ว่าเราไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเขาะไม่เกรงโยเว้นหลวงพ่อนะใครเข้าใกล้เกรงหมดเลยนะเป็นข้อยกเว้นนะคงไม่ได้ว่าหลวงพ่อชั่วเป็นพิเศษหรอกเนาะเข้าใรรากล้เราเกรงแล้วพวกเรากลัวกลัวว่าหลวงพ่อจะรู้ว่าเราชั่วนะอย่ากลัวเลยะอย่ากลัวเลยไม่สนใจจะรู้หรอกนะ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 สุดท้ายมันก็รู้นะกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราจริงๆมันทิ้งพอทิ้งไปไม่ยึดถือนะก็ไม่มีความดิ้นรนหิวโหยอีกแล้วใจเข้าถึงสันติสุขที่อมาตะนะเป็นอมตะธาตาุาอมาตะธรรมสันติสุขตัวนี้สันติตัวนี้เป็นอมาตะาใิพระนิพพานเป็นอมาตะแต่ตัวเราไม่ออมาตะใจที่ไปรู้พระนิพพานก็เกิดดับไปนะงั้นนิพพานไม่มีเจ้าของ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 ศรัทธนะาที่ปุถุชนมีนั้นเป็นศรัทธางมงายนะศรัทธาค่อนข้า ง, งมงายเป็นศรัทธาที่กลับกรอกอย่างบางทีเราก็ศรัทธาพรุทธเจ้าแต่ถ้าพระพุทธเจ้าขัดกับผลประโยชน์เราเมื่อไหร่เราศรัทธาผลประโยชน์ทันทีเลยนะนั้นศรัทธาของปุถุชนเนี่ยเชื่อถือยังไม่ได้หรอกพลิกไปพลิกมาเราฝึกจนกระทั่งใจเราเนี่ยศรัทธาแน่นแฟร์ใ น, นพุทธเจ้าไม่คลอนแคลนนะเรารู้เลยว่าพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีจริงๆ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 รู้เรื่องแล้วต้องลงมือปฏิบัติพวกเราฟังรู้เรื่องอยู่แล้วแต่ไม่ทำเนี่ยเราสหายไปแล้ววันหนึ่งจะต้องไปหาเรียนจากที่อื่นลำบากนะลาบากเพราะฉะั้นอย่าให้ไปหายไปในมือพวกเราทุกวันนี้สิ่งที่เบียดเบียนทำลายพระพุทธศาสนานั้นเต็มไปหมดเลยกระทั่งพระบางคนนะต้องเรียกว่าพระบางคนไม่อยากเรียกบางองค์มันดัดแปลงธรรมะของพระเจ้านะ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 กลุ่มนี้ตัดพระไตรปิฎกตรงนี้ทิ้งอีกกลุ่มหนึ่งตัดอีกส่วนหนึ่งทิ้งไม่นานก็ไม่เหลืออีกพวกหนึ่งจะแก้พระไตรปิฎกบอกว่าพระไตรปิฎกนี้น้อยไปไม่ไอธรรมะชั้นเลือดเลือนี่ยไม่มีจะเติมพระไตรปิฎกพวกนี้ทําลายพระศัทธรรมทั้งหมดเลยต้องระวังนะต้องรักษาต้องสืบทอดพระศัทธรรมให้ดีไม่อย่าปล่อยกิเลสมันครอบงำไปมันจะลากลาให้เติมพระไตรปิฎกบ้างตัดพระไตรปิฎกบ้างอันตรายมากเลย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 ลดลงเรื่อยๆวัดร้างมากขึ้นเรื่อยๆนะแต่ของศาสนาอื่นเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะตั้งง่ายนะตั้งของศาสนาอื่นตั้งง่ายตั้งวัดเนี่ยแรมปีเลยกว่าจะตั้งได้บางทีหลายหลายปนะีทำอะไรก็ลำบากนะรักษาไว้ก็ยิ่งยากงั้นอย่าประมาณนะเทศให้ฟังแล้วไปปฏิบัติเข้ารู้สึกตัวรู้ส ก, กายรู้สึกใจไปถือศี่ไว้ด้วยอย่าลืมถือศี่นะี่ข้อ รู้จักไหมไม่ต้องให้บอกนะสมัยโบราณภาก็ต้องคอยบอกนะภานาติปาตาเวรมณี้าปะทังสมาธิยามิเราไ ว, ว่าตามแปลไม่ออกรับศีลไปห้าข้อแต่ไม่รู้ว่าห้าข้อคืออะไรเห็งนั้นก็ใช้ไม่ได้นะก็ต้องรู้ความหมายนะแล้ว เ, เอาไปทำศีลกฐธรรมะไม่ได้มีไว้ฟังเล่นแต่มีเอาไว้ปฏิบัตินะาศาสนาพุทธเป็นกรรมวาตถีนะคาสอนของพระเจ้านี้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 ไม่ใช่ธรรมะ n e t นะธรรมะ com นะต้องจำผิดยี่ห้อไม่ได้นะเป็นคนละโลกเลยยังมีธรรมะ .dot org นะมีหลายหลายหลายโก๊กนะนะอ่ะรับพอสมควรแก่เวลาใครมีกันบ้านจะถามอยากดูความสวยและสีของคนละที่วันนี้เป็นเวลา แน่จริงพอตอนที่ฟังอยู่ก็รู้สึกว่าพ่อเทเทียวเรื <S <s ่องควาเท่เท่ยเรื่องเดียวแหลวนะเท่ที่ไหนก็เท่เดียวเเรื่องเดียวนี้แหละมันก็เหมือนกันทุกเล่มนะสีดีก็เหมือนกันทุกแผ่นนะมีมางพ่อพูดกันเรื่องความรู้สึกเออ่แลาอะไรอ่ะ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 หรือเหมือนเดิมเขียออกครับนาะภาวนาอย่างนี้ก็ดีนะภาวนาอย่างนี้ใช้ได้หาข้อต่อไปครับการสนใจเรารู้สึกตัวเองการสังเกตควารู้สึกเอารู้สึกนั้นใช่สิ่งเดียวหรือสิ่งเพื่อควจริงไม่ใช่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 เรารู้ว่ามีความสุขความสุขเป็นอารมณ์คือเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแล้วเราก็จะเห็นว่าจิตที่สุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับนะกลายเป็นจิตเฉยเฉยของโยมอยากคิดเดยอะนะคอยรู้ทันความรู้สึกไปสบายๆรู้ก็รู้เป็นอยู่แล้วละ่ะเวลารู้แล้วหน้ามันใสนะหน้าตามจะผ่องใสให้หมันใจมันสบายใจมันคลายออกถ้าเรารู้ไม่ทันนะใจมันขมวดเข้าไปเครียดเคียดไม่มีความสุข ไ, ไปทําหมดไป ไม่ได้มีปัญหานักหรอกทข้อใจคิดไปว่าการมีความสึขเรียกว่าดูจิตถู ก, ถกแต่หวพกล่าว่าเป็นการดูอามณ์อธิคาว่าดูจิต ด, ดูจิตนั่นแหละรู้ทันความรู้สึกของตัวเองแต่หลวงเข้าใจว่าถึงจะเป็นอารมณ์แต่ก็ดูตัวจิตแน่นอนถู ก, ถ ก, ถกจิตกอารมณ์ต้งเกิดร่วมกันใช่ดูถูกแล้วหลวงพ่อถือไม่ค่อยอยากคุยกับคุณเท่าไหร่หรอกไม่ได้มีปัญหาอะไรนักหรอกมี <c oughs> <c oughs> ว่าอัานสื่อหลพอเยอะมากเลยดูของจริงก็พ่อพูดแต่เรื่องความรู้สึกอย่างเดียวนั่แหละดูไปแล้วจะเห็นนะทุกอย่างชั่วคราวสรุปแล้วผมออภิปรณ์ว่าการสนใจคีอความรู้สึกก็คือสิ่งที่เรียกวดูจิตถูกถูกไหมเลยบางคนน้าไปคิดว่าดูจิตคือดูจิตนะดูจิตไม่ได้ดูจิต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 สเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งที่เรียกว่าสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายนี่แหละเป็นของไม่เที่ยงสเพสังขาราสัพพสัญญาหน้าตาสิ่งที่เป็นความปรุงแต่งแล้วก็สัญญาความจําได้หมายรู้ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ตรวจตนมันทํางานได้เองเนี่ยหลวงปู่ดุลมาได้รับคําสอนอันนี้มาก็มาดู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 กระทั่งตอนที่บรรลุอริยมรรยผลนะเข้าถึงจิตแท้ทำแท้นะจิตยังแสดงตัวออกมาด้วยความเบิกบานนะแสดงความมีอยู่ด้วยความเบิกบานมันไม่มีร่องรอยไม่มีตัวของมันเลยนะงั้น ท, ที่คุณเข้าใจนะั้เข้าใจถูกแล้วล่ะแต่อย่าคิดเอานะดูของจริงอย่างเยอะ ๆ, ๆอ่ะคนต่อไปอมาตรการก็รมผมได้ฟัง สีของ่อมาประมาณสาสปีแต่ยังไม่เคยไต่ตัวจริง่อทุกหนุ่มพ่ทั้งทั้งนัมีอยู่คั้งหนึ่งเดินเข้าไปแล้วก็ไปเรือืที่ตอครับประมาณเหมือนกับวากรวิญญาณดงวิเข้าไปอเข้าไปยินในตอ้ะแต่แล้วภาพที่เห็นก็หายไปเลยกลับไปแล้วกที่มโนวิญญาณถูก อือืมอืนะคนึกอืมตัวรันมันก็เพื่อนอืมความกับเพื่อนจากสุริญาณก็ทางานต่ออืมมันขึ้นมนขึ้นวิธีใหม่ละแต่คราวนี้แทนพี่ใหญ่เป็นภาพในรักมันไม่มันเห็นเป็นเม็ดสีเป็นภาพเต็มเลยอือืมนั่นแหละรูปตัวจริงของมันตัวรักเอมันก็เหลือไปกันแค่เห็นโบชัวรที่ข้างข้างตรักอืม ก็จะเข้าไปกินเนื้อเรื่องแล้วก็ขอนออกมาเขาเป็นขั้นขั้นตอแรกจะเข้าไปเป็นเนื้อเรื่องแล้วถอนออกมาเห็นเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็อนมาอีกเห็นเปแค่เื้อนสีถูกแล้วเป็นสีถูกเื้อนสีหนังนั้นถอนแล้วก็เหืออะารอี่กรชวลมีการมีการทุกอย่างจะเข้าไปกินแล้วถอนออกมาเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษล้ก็เห็นเป็นเปื้อนสี นั่แหละจิตจะทำงานอย่างนั้นอันนี้มันเราเดินไปเห็นูรก้าลังอยู่แต่ว่าออันนี้มันก็เราอินแล้วเราพอแจลนะมันเคื่อนขวางออา มันก็คือเรื่องของวิธีจิตนั่นแหละเรียนาทิธรรมหเปล่าคือตอนแรกเนี่ยเกิดปางใจจิตจริงเมื่อปีน่แลวก็ไม่ได้ฟังเลยเรไู่้เรี่อเดินั่นแหละไปฟังใหม่แล้วจะรู้เรื่องแล้วว่าภาวนี้เกิดปังได้ฟังขอใจจริงเข้าใจทุกอย่างนั่นแหละง่ายไม่ยากนะการเป็นฟังง่ายเลยืะทำไมง่ายอะ่ะเพราะว่าเราเห็นสภาวะแล้ว พอเราเห็นสภาวะนะัเราเห็นรูปเห็นนามเห็นกระบวนการทํางานนะเห็นวิธีจิตอะไรอย่างนี้นะมันก็ของเห็นเห็นอยู่มันก็ง่ายแต่ก่อนเนี่ยจำแต่ชื่อไม่เคยเห็นของจริงมันก็ยากเดี๋ยวนี้มีนะสำนักอภิธรรมหลายแห่งก่อนจะเรียนอภิธรรมเนี่ยแจกซีดีของหลวงพ่อก่อนให้ไปฟังซีดีอยู่ช่วงหนึ่งนะพอเห็นสภาวะแล้วเนี่ยมาเรียนอภิธรรมแล้วเรียนง่ายนะธรรมะมันก็ต้องลงด้วยกันได้หมดแล้วมันไม่ขัดกันหรอก ยาวแต่เรียนนะดูกิเลสไปเอาให้คนอื่นบ้างกราบนมัสการพระอาจารย์หลวงพอ่อโยมฟังเทพพระอาจารย์หลวงพ่อเป็นเวลาสิบ ป, ปีแต่ไม่เคยได้มาเจ อ, อวันนี้เป็นโอกาสที่ดีโยมพึ่งไปปฏิบัติธรรมกลับมาพอดีอพอดีกัลยาณมิตรโทรมา เมื่อสิบ ป, ปีก่อนโยมอยู่ที่สหรัฐอเมริกาได้ฟังเทป พ, พระงอาจารย์หลวงพ่อเพราะว่าช่วงนั้นโยมมีทุกข์หนักเกี่ยวกับลูกสาวซึ่งกำลังเป็นวัยรุ่นพ่อฟังเทป พ, พระงอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าทุกข์มากแล้วถ้าเราทำใจเราปฏิบัติฟังพระงอาจารย์หลวงพ่อให้ดีทุกข์จะน้อยลงและน้อยลงในที่สุด โยมก็ปฏิบัติตามพระอาจารย์หลวงพ่อจนได้ว่าทุกนั้นน้อยลงจริงๆโดย<ม>ที่ไม่ได้เจอพระอาจารย์หลวงพ่อเลย<ม>แต่ฟังจัดเทปดาวน์โหลดลงมาและในปัจจุบันโยมก็หมดความทุกนั้นและผลสุดท้ายก็คือโยมได้ปฏิบัติหรือจัดการกับลูกจนกลายเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง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 ที่จริงนะไม่ว่าธรรมา .com ไม่ว่า CD YouTube หลวงพ่อทำไม่เป็นหรอกเนี่ยพวกเนี้ยเขาทำกันทีมอาสาสมัครนะไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีค่าตอบแทนอะไรทั้งสิ้นเลยที่ทำกันทำด้วยใจที่จะแทนคุณพระพุทธเจ้าแต่ละคนนะบางทีก็วิ่งตามหลวงพ่อไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้นะค่าลูบินเขาจ่ายเอง เหมือนกับว่าไม่ค่อยทำงานเลย ไ, ไหนก็เจอไม่ไ่ถ่ายวีดีโอถ่ายอะไรเนะียเอามาเผยแพร่เขาทำกันด้วยใจลวงลำพังโลงพ่อทำเองไม่เป็นหรอกนะงานของพระพุทธเจ้าชาวพุทธต้องช่วยกันเป็นหะน้าที่ของทุกคนแต่ก่อนอื่นต้องเรียนให้รู้เรื่องก่อนไม่งั้นเรานึกว่าเราทำถวายพระพุทธเจ้าที่แท้ถวายเทวทัตก็ได้ ไม่แน่หรอกต้องเรียนให้รู้เรื่องเส ก, ก่อนเอาต่อไปรการถามไม่เป็นอยู่ในอาจารเกิดโกรธจิตสังเกตไหมใจเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันเห็นไหมตอนนี้ใจใจอยู่กับตัวเองหรือใจอยู่ข้างนอกเห็นไห ม, ไมใจอยู่กับหลวงพ่อ น, นี่ยเรารู้ทันอย่างเนี้ยรู้ทันอย่างที่มันเป็นนะ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 ตอนนี้รักษาสี่ห้าอยู่ oh, <dear S 1> ค่ะแล้วก็เพื่อทําในรูปแบบอะค่ะแล้วก็เดินจงกรมไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่เพราะไม่มีเวลาอตอนนี้เลี้ยงลูกเจ็ดขวบกันหนึ่งขวบอยู่แล้วก็ทํางานด้วยก็เลยไม่ทราบว่าจะทําแบบเต็มที่ได้ยังไงอะค่ะมันก็เต็มที่แล้วนะเต็มที่เท่าที่เราทําได้เลี้ยงลูกไปเราก็พอนาได้นะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเราเปลี่ยนแปลง ความรู้สึกของเราเวลาเราเห็นรูปเราแต่ละครั้งความรู้สึกยังไม่เหมือนกันเลยรู้สึกไหมนั่นแหละฉลาดนะเรารู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปแล้วจะเห็นว่าทุกอย่างมันมาแล้วไปมาแล้วไปน ะ, ะแล้วกระทั่งความทุกข์ทั้งหลายก็เหมือนกันเลยมาแล้วก็ไปแล้วตอนนี้มิซาวาลุ้ตื่นบ้างแล้วยังค่ะรู้ตื่นบา้างแล้ว<ะ>ยัยงค<ะ>่ะเกินตื่นแล้วมันแยกขันได้แล้วแยกรูปนามได้โอ้โหทรู้สึกตัวค่ะ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 จะเลี้ยงลูกแล้วก็จะสอนลูกยังไงให้ให้เป็นชาวพุทธที่ดีอะค่ะเนี่ยเปิดซีดีหลวงพ่อเรื่อยๆให้มันได้ยินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวดีเองอ่ะ <c oughs> บางบ้านนะขึ้นรถปุ๊บเปิดซีดีลูกเล็กๆก็นั่งอยู่ด้วย <c oughs> ไม่นึกนะว่าลูกจะรู้เรื่องพ่อแม่ก็เปิดจ ะ, จะฟังเองอ่ะเอขับรถไปแล้วโมโห่ะลูกก็บอกแม่แม่โกรธแล้วรู้ไหมแม่แม่มันแสบจริงเลย นั้นมันเข้าใจนะเด็กมันรู้ทันนันหนูเปิดซีดีไปอย่าไปเขี่ยวเข็นเด็กนะอย่าไปบังคับเด็กไม่ชอบบังคับหรอกเราทําให้เขาเห็นปฏิบัติให้เขาดูดีดีกว่าพูดเฉยเยที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้นะเนี่กรูปนามได้ต่อไปก็ดูรูปนามแสดงใจรักไปเรื่อยๆขอบพระคุณมากค่ะ นามัส ก, การกับหลวงพอ่อ ก, ก็ผมอยู่ที่อเมริกานะครับก็พอดีมาเยี่ยมญาติแล้วก็เยี่ยมเพื่อนที่นี่ก็พอดีบอกว่าหลวงพ่อมาที่นี่ก็ดีใจได้มาก็คือผมก็ฝึกมาทางด้านเพ่งนะครับไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่วอกแวกนั่งสมาธิสิบนาทีวอกแวกสี่ห้าครั้งเพื่อนก็ถามว่าสี่ห้าครั้งเองหร เออผมก็งงนะว่าทำไมถามอย่างนั้นก็เลยแนะนำให้รู้จักทางภาวนาของหลวงพ่อกลับไปอเมริกาก็ไปเข้าเว็บไซต์แล้วฟังมาประมาณปีหนึ่งครับปีนี้ก็มาเยี่ยมอีกอันนี้ก็คือผมก็ปฏิบัติได้บ้างแบบเบื้องต้นได้บ้างเสียบ้างามภาษาคนเบื้องต้นเบื้องต้นเราก็ตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ก่อนครับอันนี้คาถามที่ที่ที่อยากจะถามหลวงพ่อก็คือบางีก็ เมื่อกี้หลวงพ่อก็ตอบไปสักพักหนึนน่งนะฮะ<น>ของคนล<น>่วงหน้าคือเคยเอาลูกไปลูกสาวกับลูกชายไปฝึกทางด้านเพลงเหมือนกั น, นแล้วเขาก็ไม่ชอบเลย<น>พอกลับไปผมก็ฝึกพอเข้าใจหลักการบ้างผมก็สอนลูกชายว่าในที่ปฏิบัติมาไม่ใช่ให้ปฏิบัติแบบรู้สึกแล้วเรารู้ตัวอะไรเงี้ยก็ค่อยๆทีล่นิดๆหน่อยเขาก็เริ่มเข้าใจเขาก็บอกอู้อย่างง่ายกว่า<น>ง่ายกว่าแล้วก็พอเข้าใจ แต่ว่าพอทำได้สักพักหนึง่งเขาก็เลิกสนใจไปก็เลยอยากจะถามหลวพ่อว่าทำไงให้เขาสนใจกลับมาสนใจนหรือปฏิบัติต่อท่นนี้สำหรับลูกสาวที่ยังไม่ได้มาสนใจทางด้านนี้คือคือเข้าใจทางด้านเพ่งอยู่จะเริ่มแนะนำให้เขาปฏิบัติได้ยังไงก็แน่อย่างที่แนะนั่นแหละใช้ได้นะแต่ธรรมชาติของเด็กอนะช่วงวัยรุ่นนะบางทีก็ลืมธรรมะไปช่วงหนึ่งนะ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 แล้วหนูได้กลับเข้ามาใหม่เนี่ยเราก็จะทำให้นิ่งลงนี่แสดงว่าหนูเนี่ยรู้จิตตัวเองหรือยังคะหรือหนูหนีปัญหานะจุดจุดนั้นคือการหัดทมวิปัสสนากรรมฐานนะค่ะเราจะรู้สภาวธรม ร, ร, ธรมรูปธรรมนามธรรมที่ปรากฏอยู่แล้วก็รู้ความเป็นไตรลักษณ์ของเขาค่ะแต่อย่างเราประทะอย่างเนี้ยแล้วเราทนไม่ไหวเราหนีไปก่อน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 ดับแล้วก็รีบเดินออกไปจากตรงนั้นแล้วแต่หนูไม่ได้หนีไปไหนนะคะหนูกลับมานะจุดจุดเดิ ม, มแล้วบางทีบางทีหนูก็ยังสงสัยอยู่ตอนที่สู้ไม่ได้ก็ถอยไปก่อนมีแรงแล้วกลับมาสู้ใหม่ ค, นะครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ว่าสู้แต่บี้ตะบันนะ <c oughs> อย่างบางทีท่านทุดดงไปอย่างเงี้ยแต่ใหมท่านหนุ่มๆองค์บางองค์นะท่าเล่าประวัติทุดดงไปเจอสาวสวยอ่ะดูยังไงจิตก็ไม่ลงละ ชีดมีราคารุนแรงนะทั้งก็ใช้วิธีหนีนะแบกโกรธแบบย่ามหนีไปอยู่ที่อื่นแต่บางองค์ก็กำจัดสรร น, นะนางผู้หญิงคนนั้นก็ไปเที่ยวอีกหมู่บ้านหนึ่งไปเจอจนได้ศึกไปเลยก็มีนะเพราะงั้นไม่ใช่ว่าเป็นนักต่อสู้ไม่รู้จกักหนีนะช่วงไหนสู้ไม่ได้ก็ถอยไปก่อน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 เวลามีโทสะขึ้นที่ไรนะความทุกมาทุกทีเลยเนี่ยสังเกตไปได้เลยต่อไปใจมันจะไม่อยากมีโทสะไม่รู้จะโกรธทาไมไม่รู้จะหงุดหงิดทาไมนะก็โกรธเที่มาที่ไรเราเองก็กทุกทุกทีค่อยๆฝึกไปนะแล้วสงสารใจตัวเองบ้างเมตตามันบ้างอ่อนโยนกับมันบ้างค่อยๆฝึกนะแล้วใจมันจะได้มีความสุขขึ้น งันใจหนูถูกโทสะครอบงำเนืองๆมันทุกข์น่าสงสารดูมันไปดูมันน่าสงสารไปนะสาธ<ล>ุาจะได้สบายๆขึ้นค่ะสาธุข้าหลวงพ่อเอ้ละพรับผ่นะเยะถ า, าวารีวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวามวาอีโตทินังเปตานังอุปกัะปติ ยิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรารโสยัทามานิโชติระโสยัทาสัพีติโยวิวัตชันตุสัพรโรคโควินั ส, สตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีที่คาโยโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจจังุทถาปจายโน จตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขขังพระลังไปพอวนานะเพื่อตัวเองนะไปทำเข้าไม่พาวนาก็าไม่ได้อะไรหรอก